5. โสระสะกรัรมมาธิว่าด้วยกรรมสิบหอย่างเป็นต้นสี่ร้อเจ็ดสิบปดถามกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงสักตร์ตรัดไว้เท่าไรข้าพระเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินยัยตอบ กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้สิหอย่างขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยโทษแห่งกรรมถามโทษแห่งกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบโทษแห่งกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ปรัดไว้ส2องอย่างขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยกรรมสมบัติถามกรรมสมบัติอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราช า, า, า, า, า, าผู้สูงศักดิ์ ปรัดไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบกรรมสมบัติอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ปัสไว้สี่อย่างขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยกรรมหถามกรรมอันพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้หกอย่างขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวิไนกรรมสถามกรรม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 ปาราชิกแปดถามปาราชิกอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัดไว้เท่าไรข้าพระเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินันตอบปาราชิกอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัดไว้แปดอย่าง ขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวิไนสังคาทิเศตยี่สิบสามถามสังคาทิเศษอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ปรัดไว้เท่าไร่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวิไนตอบสังคาทิเศษ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้ยีสบสามอย่างขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัย อ, อนิยตสองถาม อ, อนิยตอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวิไนัยตอบอนิยตอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้สองสิกขาบทขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวิไนัยนิสกีสี่สถามนิสคี อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบนิสสกีอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้4ีสองสิกขาบทขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้า ผู้รู้แจ้งพระวิไนปาจิตตีหนร้อย8ปถามปาจิตตีอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ปรัสไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวิไนตอบปาจิตตีอันพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้1 8 8่สิกขาบทขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยปาติเทศนิยะสิถามปาติเทศนิยะอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักด์ตรัรไสไว้เท่าไหร่ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวิไนั์ตอบปาติเทศนิยะอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ปรัดไว้สิบสองสิกขาบทขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวิไนัยเสขียะเจสบหถามเสขียะ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 ขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยปัญหาข้อใดท่านถามแล้วด้วยดีเพียงใดปัญหาข้อนั้นข้าพเจ้าก็ตอบแล้วด้วยดีเพียงนั้นอันหนึ่งในคำถามและคำตอบจะไม่อ้างถึงสูตรอะไรไม่มีแลทุติยคาถาสังคณิกาจบ